พระอนนท์ไปแจ้งข่าวเจ้าวัฒลิชวีครั้นเวลาเช้าท่านพระอนนท์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของเจ้าวัฒลิชวีได้กล่าวกับเจ้าวัฒลิชวีดังนี้ว่าวัฒล์สงข้ามบาตรท่านห้ามสมโภคกับสง ครั้นเจ้าวัฒลิชวีทราบข่าวว่าสงข่วำบาทห้ามสมโพกกับสงจึงสลบล้มลงที่นั้นเองขณะนั้นมิตรอมาตญาติสาโลหิตของเจ้าวัฒลิชวีได้กล่าวกับเจ้าวัฒลิชวีดังนี้ว่าท่านอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลย พวกเราจะขอให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ยกโทษให้ครั้งนั้นแหละเจ้าวัทธะลิชวีพร้อมกับโอรสและชายามิตรอมาตญาติสาโลหิตมีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ศพศีรษะลงแท่พระยุคลบาท แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญมอมฉันได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้ใส่ความพระทัพพระมลบรด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่มอมฉันเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า